เพราะนั้นท่านจึงกล่าวถึงต่อไปเนี่ยว่าฝ่ายเราผู้รับทานครั้นได้ ก็เดือดร้อนแล้วก็เหมือนกับพวกบริษัทเลิกงานแล้วก็พวกพนักงานทั้งหลายก็อ้าวสมัครงานที่ไหนก็บอกว่าร้องให้ประหนึ่ง ร้องไห้เสียใจกันไปหมดเลยเอ่อพวกนางกษัตริย์ที่พระเวสสันดรบริจาคไปเนี่ยนะนาง พระเวสสันดร ฝ่ายพระนางมัสสีก็คิดว่าเราจักไปโดยเสด็จพระสามีเนี่ยนะก็จักยังพระสัสุ โวรธรรมิกราชว่าเนี่ยนะก็ไปไปลา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 ไม่ทันอิ่มในกามตายละว่างั้นเพราะฉะนั้นหม่อมฉันๆแล้วแม้บริจาคทานมีแพะและเสือ หม่อมฉันบําเพ็ญบุญทั้งหลายเนี่ยนะหม่อมฉันเนี่ยทําบอกหม่อมฉันเนี่ย จะสังเกตดูสัตว์ที่ไปติดในโคลนเนี่ยนะแม้แต่ใครเคย ไม่โคลนอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ขอ<ส> ขอพระองค์นิทรงอนุญาตแก่หม่อมฉันหม่อมฉันจะขอออกบวชหม่อมฉันบริจาคทานใน นางพุสดีก็บอกว่าลูกรักแม่อนุญาตลูกบรรประชาจงสําเร็จแก่ลูก ก็บอกว่าพาแต่นางทาส ก็เลยกล่าวว่าพระเจ้ากรุงสัญชัยคล้อยตามเพื่อวิงวอนพระสุนิสาวาเน่แม่ผู้มีสรีระ ภัสสะสุระเนี่ยนะก็คือพ่อผัวว่าหม่อมฉันไม่ปรารถนาความสุขที่จะต้องพลัด อ่ะนะๆนะยังมีตะกาเหลือบยุงแมลงเพิ่งมีมากสัตว์ปลาเราอื่นก็จะยิ่งจะพึงมีแก่แม่คิดให้ดีนะว่ามัน แม่จงดูสัตว์เหล่าอื่นด้วยขนดให้อยู่ในอํานาจของมัน คนที่เห็นมันแล้วขึ้นต้นไม้ก็ไม่พ้นมันน่ะนะเพราะหมีมัน พระแม่มะสีนี่เป็นเหมือนแม่โคนมอยากได้ลูกเห็นโคไปตามฝูง คือนกเนี่ยจับอยู่ในเวลากลางวันป่า คือจับบันเทาอ่ะนะถึงจะมีภัยเหล่านั้นก็จริงแต่ก็จะขออดทนมาบางอ่ะนะตระกูลบาง ปกติเนี่ยนะคะเอามือเอาเท้าว่า กุมารีได้สามีด้วยการประพฤติวัดเป็นอันมากมีบั้นเอวกว้างมีสี ทนผิงไฟแม้ในฤดูร้อนขัดสีกายด้วยน้ำในฤดู ให้ทุกข์เป็นอันมากไม่ใช่น้อยแล้ว หญิงผู้หาผัวไม่ได้นี้ต้องตกหนักแก่พวกเราตลอดดายแว่นแคว้นไม่ 10 คนถ้าเป็นม่ายก็ Pasada Krunkbrakort, Hengstadri, Kwampen, Maipen, a tree, Mom Chan Jack Tongju, Jang, de Nera ga Putin, wa, Kutja, Kutja, Rakkan, Jopen Jang, Nenon, Tamme Rakkan, Upai, Zadaj, Kodi, we Putin de Dat in Putin met de chophoganen, Mia, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, Kukum, อันนี้พูดถึงข้อที่คนนี่ก็ชอบๆกันหน่อยนะทําให้ชอบกันแล้วก็ ฝóng เท้า ฝóng เย็นด่าเช้าด่าเย็น หม่อมฉันจะนุ่งห่มผ้ากาสายะตามเสด็จพระภสดาทุกเมื่อความเป็นม่ายผู้มีแผ่นดินไม่แยกก็ไม่เป็นซึ่งทรัพย์เป็นอันสุดเต็มด้วยรัตนะต่างๆแต่พรากจาก ย่อมอยากได้ความสุขเพื่อตนสตรีนั้นใจเด็ดจริงใจของเขาจะเป็นไม่ไปด่าหรอกแต่ก็บอกแม้โอ้โหใจอะไรจะขนาด หม่อมฉันจักโดยเสด็จพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้พระราชทานข้าวของที่หม่อมฉันต้องการทุก ไม่ให้จะได้ไปไปตะบานหน่อยนะมีหน้าแล้วพระภิกษุนี่เค้าไม่ใช่ว่าเค้าจะให้แม้ตนเองก็ยากจนก็ร่วมทุกข์ด้วยในเวลา แล้วก็อธิบายว่าแม้เทวดาเป็นต้นก็สรรเสริญ จงรักเอาไว้ไปแต่ตัวว่างั้นเราทั้งหลายจะเลี้ยงดูหลานทั้งสองเองว่างั้นไปแต่พ่อแต่แม่นะยังไงก็เอาลูกไว้ก่อนแล้วกันพระนาง ทีนี้พระเจ้าสรรชัยมหาราชก็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 ก็ว่าเด็กทั้งสองเนี่ยเคยเสวยในทาทองหนัก 100 ปะละเนี่ยนะซึ่งเป็นของประจําราชสกุล ยอดไม่มีลมลงลิ่มชิดแล้วเมื่อต้องบรรทมที่โคนไม้จะไปทํายังไงแย่เลยนะย่าเนี่ยทั้งทุกมากเลยนะอันนี้ปู่ก็ทุกแทนหลานก็เออนี่จะ de ทั้งสองเคยไล่ kong ทาด้วยของหอมทั้ง song เยี่ยมหมดอะไรนะอ่ะนะผมมันกัดทั่วตัว <c oughs> <c oughs> เจ้าพนักงานก็เลยนํารถแต่งรถที่นั่งเนี่ยนะเทียมด้วยมาอาชานาย สมมุตินะคนเนี่ยนะทีนี้พอรถมาถึงพระโพธิสัตว์ ขอพระองค์อย่าทรงคร่ำครวนเลยอย่าทรงเสีย ที่นั่งเทียมมเหสีเนี่ยไปสู่เขาวงกดเนี่ยนะวิ่งนั่งรถม้า นะขอเราจะขอลาไปแล้วนะขอญาติทั้งร้องห่มร้องไห้อะไร ถ้าแล้วสัตว์มีความสุขก็ควรจะไปเนี่ยนะเพราะก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้พอพระ เสร็จแล้วก็คิดว่าลูกของเรานี้น้อมไปในทางจงบำเพ็ญ 18 ครั้ง พระเดินไปไอ้คนขอก็ตามขอจริงๆนะ พอคิดอย่างนั้นแผ่นดินเท่าประมาณ 3 ก็คืออันนี้นะหมายถึง เมื่อพระเวสสันดรทอดพระเนตรแล้วก็ตรัสคาถาบอกกับพระ ครั้งนั้นพระเวสสันดรมหาสัตว์เนี่ยนะยังอํามาตย์ 60,000 ผู้สหชาติและชนเหล่าเอือมให้กลับแล้วก็ขับรถดู พรหม 4 คนมาไม่ทันไอ้ศาสดกม้าทานเนี่ยก็เลยติดตามพระเวสสันดรคือ ค่าแต่สมมุติยาจกทั้งหลายกําลังมาพระโพธิสัตว์ก็หยุดรถทันทีเลยนะเบรกรถเป๊ียบเลยพราหมณ์ทั้ง 4 คนเหล่าก็มาทูลขอมาที่เทียมรถอ่ะคือพราหมณ์มาขอม้าพระองค์ก็พระราชทานม้าทั้ง 4 ตัวเนี่ย ปกติแล้วไอ้แบบเหมือนเกวียนอ่ะนะมันควรจะตกใช่มั้ย ไม่ได้คิดถึงมาที่มันหายไปนะเออดูไอ้ละมังนี่ก็ดูงามดีเหมือนกันเนาะก็ไปเรื่อยอีก <c oughs> พระโพธิสัตว์ก็เลยบอกให้โอรสธิดาพระราชเทวีลงแล้วก็พระราชทานรถ และพระฤทัยก็ไม่ได้ย่อหย่อนอะไรเลย พอพระองค์เป็นพระพุทธเจ้านะต้องจากวิมุตติสุขที่สงบเป็น พระองค์นี้มีไอ้น้ำใจความนะไม่ใช่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 Sam kan in een kanreko toss opon jame ponzi pakan kong panafusidie rap japtau sacca in een kan die hima pan hemawanda kan ruimapan kan in kanva doe een panama scene in een klouting pan soon kan die zam koku tan de kan kanva de kan hij tan in een koku hij satanipla wat je dat is een Dat is